คขาดมันเยื่อใหญ่เยื่อใหญ่หักบัวไม่เคยเห็นไหมหักบัวไอ้สดๆใช่ไหมการบัวสดๆแต่เวลาหักมันเป็นไรมีใยยืดเนี่ยเรื่องของผู้หญิงเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเลยตัดอะไรไม่ค่อยขาดใจมันคอยมีเยื่อใหญ่เยื่อใหญ่เนี่ยผู้หญิงต้องบอกว่าเนี่ยตัดอะไรไม่ค่อยขาดแต่ถ้ามีครอบครัวแล้วยากมากที่จะผู้หญิงที่รู้นิพพานเนี่ยแต่ละคนยังในปัจจุบันเนี่ยแทบจะไม่ปรากฏเลย แต่ถ้าผู้ชายเนี่ยเราก็เห็นอั้งหลายท่านเน่ะมีลูกชายไปอยู่ติดตัวด้วยบางทีก็ครอบครัวก็ภรรยาก็อยู่แยกกันอยู่ตรงใ น, ในส่วนของผู้หญิงเนี่ยก็บาท่าก็บรรลุอราหารันต์เป็นที่ยอมรับว่าใครก็นที่ยอมรับว่าทําบรรลุอราหันต์กระดูกเป็นพระธาตุเลสายเป็นเพชรก็หลายองค์มีครอบครัวก็สามารถบรรลุวั น, นิพพานได้มุ่งสู่มรรคผล น, นิพพานแต่ผู้หญิงไม่ได้เลยถ้ามีครอบครัวมีลูกเนี่ยมัน ใจมันเชื่อใหญ่เชื่อใหญ่ตัดไม่ขาดเชื่อใหญ่อะไรอวรนของเราเนี่ยมันตัดแล้วก็ตัดเลยคือเขาออกมาดูแล้วว่าลูกสาวโชคดีไปแล้วมีคนอื่นรับไปเลี้ยงเราก็โชคดีคนอื่นรับไปเลี้ยงแล้วเราก็ไปเลยสบายเราเพราะว่าสามีเขาก็เลี้ยงดูขงเขากเองเนี่ยอ้าวลูกชายไปบวชแล้วสบายเราแล้ว อ๋อภรรยาก็มีน้องสาวเ้าที่เป็นนายทหารมาอยู่ด้วยมีน้องสาวของเพื่อนมาอยู่ด้วยมีครอบครัวด้วยสมบัติพันธุฐานบ้านช่องอะไรเนี่ยเราไม่ได้ออกตอนออกมาบวชเนี่ยไม่ได้เอามาจับสตางแดงเดียวยกไอเขาหมดเลยหันหลังให้เลยมหัมพ่าไตจีวรสามผืนสะพายบาดไปด้วยทั่วเลยไม่อดไม่อยากเนี่ยไปบิดาบาดได้ทั่วไม่อดไม่อยากสบายแล้วไปเบาวิวเลยไม่เอาอะไรมาเลย ยังไปแซวลวงตาองนังเห็นเดินผ่านกุฏิท่านหลวงตาท่านกำลังนั่งนั่งเขียนพินัยกรรมแบ่งมรดกแบ่งของตัวเองนีกาลังเขียนแบ่งให้ตัวเองเท่านี้ของตัวเองต่อมาเท่านี้ของของเมียเท่านี้ของลูกเท่านี้ก็เลยจะไปยืนแซวท่านบอกว่าลวงตาลวงตาเออผมเห็นลวงตาแบ่งแบ่งทรัพย์สินนี่นะอะหรือผมจะกลับไปแบ่งบ้างดีอยังนึกแซวคือผมออกมาเนี่ยผมลืมแบ่ง แบ่งทรัพย์สินออกมาเลยลืมแบ่งมาลดกเลยลืมแบ่งทรัพย์สินเลยเนี่ยผมลืมนึกไปเลยนะเนี่ยผมยกให้เขาหมดเลยแล้วผมหันหลังให้เลยผมลืมไปเลยอย่าไปแซวท่านเลยคือไม่ได้คิดเลยอะหลวงตาคิดแต่เพียงว่าเรามีครอบครัวเราสร้างเข้ามาแล้วหลวงตาไม่ได้รับไม่ได้ดูแลเขาตั้งตลอดชีวิตสิ่งเหล่านี้ที่เรามีมาทั้งหมดเราควรให้เขาเป็นการตอบแทน ผตาเลยไม่ได้เอามาเลยไม่ได้หันหลังกลับไปมองเลยแม้แต่สะลึงเดียวบางทีเขาก็นานาทีก็กโทรมาบอกทีงว่าเขาขายรถไปแล้วสองคันนะเออขายก็ขายไปเอขายไปสองคันเดี๋ยวค่อยกันเออจะขายตึกที่นี่นะขายตึกแถวที่นี่นะเออขายก็ขายไปอย่างเงี้ยเออถึงไม่ต้องก็บอกฉัก็ได้ขายก็ขายไปเย นานทีเขาก็มาเห็นหน้าเขาก็มาเดี๋ยวก็ระยะหลังนี้ก็สนใจมาปฏิบัติ ธ, ธรรมมากขึ้นก็มาที่บ้านหมอนี่ยเก็มาที่บ้านรัฎดาลงเขาก็มาก็สนใจหันกลับมาปฏิบัติธรรมมากขึ้นนั่นเองครัก็เป็นเรื่องของเขาไปไม่ได้เกี่ยวกับเราเขาก็สนใจก็เป็นบุญกุศลของเขาขเขาก็บรบรลุนิพพานเขาไปเองอย่างเงี้ยนะ แ, แต่ใจไม่มีแล้วใจไม่มีแล้วแค่มีอะไรเลยอยู่ในใจบ้านช่องก็หมดแล้วให้ก็หมดแล้ว สัพสมบัติก็ให้หมดแล้วลูกก็ไปกองคนอื่นหมดแล้วเอลูกของชายก็ไปเป็นลูกของพระเจ้าแล้วภรรยายก็มีคนเลี้ยงดูแลหมดห่วงหมดกังวลถ้าเขาปฏิบัติธรรมไปเขาก็รุ้นิพพานไปเฉพาะตนของเขาไปเออก็หมดแล้วหมด่วงหมดกังวลเราวัดวาอารามก็ไม่มีอีกวัดของตัวเองก็ยังไม่มีเลยเนี่ยก็ต้องท่อนเล่ไปเรื่อยเนี่ยเขาก็ถามันว่าออจะเข้าบรรษาที่ไหนเออจะเข้าบรรษาที่ไหนเดี๋ยวเดียว ย, ยังนึกไม่ออกว่า น่าจะไปเข้าที่ที่นี่นะ่ที่วัดหัวตลุกกับน้องปูรีซะหน่อยเนี่ยเดี๋ยวก็อาจารย์ก็บอกแล้วอย่าอย่าจะอย่าจะอย่าจะแสดงว่าบบต้องมีหลายแห่งอะไรเงี้ยต้องมีที่พึ่งที่อื่นอะไรงเออก็ว่าอย่างนั้นแหละเนี่ยมันไ ม, ม, ม่มีของตัวเองก็เลยไม่มีห่วงมีพระหลายรูปจะมาขออยู่ปฏิบัติอาศัยปฏิบัติด้วยบอกว่าเราไม่มีวัดเป็นของตัวเองมันลําบากมันลําบากเราต้องเล่ย่อนไปท่านมาอยู่กับเราลําบาก มันเพราะว่าเราต้องเล่ร่อนเราไม่มีเวลาสอนท่านหรอกเนี่ยพระกุบาท่านอยู่ข้างบนเนี่ยเราวันหนึ่งทีก็จะไม่ได้เจอกันอนนับมาได้กันเล่ร่อนมาด้วยกันเนี่ยก็เนี่ยอยู่ที่กันเนี่ยเห็นไหม่อไปด้วยกันในทุกที่ก็วันวันบางทีไม่ค่อยได้คุยกันเลยอย่างเงี้ยเจอกันทีตอนฉันข้าวเช้าเจอกทีตอนฉันข้าวเช้าแล้วก็วันนึ่งก็หายไปเลยไม่เจอกันเลยเนี่ยเห็นไหมนี่เราก็มีแต่ทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน ทำประโยชน์ตนใ้ถึงที่สุดแต่งมรรคผลที่พานเราก็ช่วยเหลือก็คุณผู้อื่นทำประโยชน์ท่านชีวิตเกิดมามีแค่นี้แหละไม่ยอมหมกมุ่นอะไรวุ่นวายเดี๋ยวมันก็ตายแล้วคิดแก่นี้มันจะได้หมดเรื่องวุ่นวุ่นุนวุ่ยุ่งยุ่งยุ่ยุ่งยุงอะไรขรรคะสังให้มาคาใจเราอีกวันก่อนก็บอกเด็กสาวไปคนบอกว่ากําลังอกหักเด็กสาวมันควรมานั่งเศร้าอกหักไอ้หนูอกหักเขาทิ้งไปก็บุญเราแล้วบุญเราแล้วเราจะได้มาเอา ทำประโยชน์ตนในพ้นทุกข์เันบรรลุธรรผลนิพพานแล้วทำประโยชน์ท่านเกื้อกูลโลกไปเฮ้ยก็คุณมนุษย์เทวดาอินพรหมยมยักษ์หนักคุณนุษลุคนทันสัพสัตว์ทั้งหลายแผเราปฏิบัติได้ดีมีบุญกุตผลแผ่ไม่ตายเข้าไปซะลูกเอ้ยอันนี้มันก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดมาชีวิตมีคุณค่าอนันต์เลยแบบว่าทาประโยชน์ตน้ถึงที่สุดแห่งมรรผลนิพพานไปแลวช่วยเหลือเกื้อกูลอื่นจนกว่าชีวิตจะหาหม่เกิดมาทั้งชาติเกิดมาในคตธรได้อย่างนี้มันอูที่สุดแห่งบุญบุตร อย่าไปยุ่มวนวากันอย่างนั้นเลยอะไรเรื่องจุ๊บจิบจุ๊บจุ๊บจิบจุ๊เรื่องไม่เป็นเรื่องเอามาปวดหัวปวดหัวใจแล้วไม่ทําให้พ้ทุกข์ดวงตาเห็นเรานี่ยเป็นเรื่องที่มันยุ่มยิ้มยุ่มยิ้มเว้ยไม่เอาเลยทิ้งหมดเลยไม่เอาเลยไม่เอามาไว้ในหัวใจเร่งปฏิบัติทำความเปลี่ยนมุ่งสู่มังผลนทีพานมุ่งสู่ความพ้นทุกข์ไม่กลับไปเอื้ออะไรเอาวรเลยตัดบัวแล้วตัดแล้วก็ต้องตัดขาดเลยก็มีตอนตอนที่มาบวชแต่แหละ บวชเสร็มาบวชเสร็จแล้วก็ตอนนั้นลาบวชมาก่อนยังไม่ได้ลาออกลาบวชร้อยยี่สิบวันแต่ยังไม่ทันถึงร้อยี่สิบวันนะ่ะอดีตภรรยาโทรศัพท์มาแล้วเนี่ยที่ตำแหนักงานสาลยุติธรรมเขารออยู่ว่าเขาก็เราประชุมเนี่ยเนี่ยเขารอโทรศัพท์เดี๋ยวนี้เลยอย่าวางนะเขาถามเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยวางโทรศัพท์เขารับโทรศัพท์สองสายอยู่เขาถามว่าจ ะ, จะกลับไปไว้เนี่ยจะสึกกลับไปรับตําแหน่งเดิมไหมผู้อาสาหัวหน้าคณะสาวุทธรภาคหนึ่งี่ เขากำลังประชุมถ้าไม่ไปเขาจะต้องรีบเขาจะต้องประชุมเนี่ยกขาลังประชุมว่าประชุมตําแหน่งเราเนี่ยเราจะกลับไม่กลับเพราะว่ามันฤดูโยกย้ายเขาอยู่ๆเนี่ยมันยังไม่ถึงร้อยยี่สิบบาทก็โทรมาไม่ตั้งตัวเลยพอโทรศัพท์มาถามว่าจะสึกออกไปไหมหรือไม่สึกอ้าวยังไม่ทันจะตั้งหลักเลยเขาโทรมาถึงถามเลยว่าจะสึกกลับไปหรือไม่สึกอ้าวเนี่ยตารางรอสายอยู่สองสายอีกสายหนึ่งขาของศาลไว้ จะสึกไม่สึกอะจะได้บอกเขาเดี๋ยวนี้อ้าวเนี่ยแม่บ้านโทรมาเองเลยอดีตปริยาทโทรมาเองไม่ใช่ใครโทรมาด้วยนะทโทรจะสึกไม่สึกเนี่ยจะสึกไม่สึกเนี่ยเขากําลังรอสายอยู่เขาบอกว่าตําแหน่งของเราเนี่ยจะต้องมีคนอื่นเขามามาสวมในตอนนั้นเนี่ยพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยตอนแรกนี่คิดเป็นแต่แรมกันนะว่าจะไม่สึกแต่พอเขาถามเข้ามาจริงออึ้งไปเลยยอมรับว่าอึ้งไปเหมือนกันนะ อึ้งไปอ่ะตอบโทรศัพท์ไม่ได้เลยเงียบไปหมดเลยเหมือนโลกกระถางเงียบไปเลยอ่ะรับโทรศัพท์เขาบอกว่าจะสึกไม่สึกแล้วเสียงปลายทางบอกจะสึกไม่สึกเดี๋ยวพูดไม่ออกเงียบสงับไปทั้งโลกกระถเลยมันหูอื้อต า, าไหลยังไงกัไม่ทราบตอบไม่ถูกไม่ตอบเลยเพราะอะไร คำตอบคําเดียวถ้าบอกว่าไม่ซึกเพิ่งรู้ว่าโอ้คําพูดเราเนี่ยคําพูดเนี่ยมันมีค่ามากเลยเพราะคําพูดคําเดียวว่าไม่ซึกงอะที่เราสร้างมาทั้งหมดนะตําแหน่งหลับยศสมบัติมรตรฐานเครื่องลาดสายสะพาจนถึงสูงสุดเนี่ยหายทั้งครอบครัวทั้งอะไรทั้งหมดหายวับไปกับตาเลยบพระตอนออกมาไม่ได้ อ, อะไรมาแม้แต่ตะตางแดงเดียวแต่ถ้าบอกว่าซึก มันก็กลับไปมีทุกอย่างเดิมกลับไปมีทุกอย่างอย่างเดิมแต่มันก็ต้องสถานะก็เปลี่ยนไปจากพระก็กลับไปเป็นฆราวาสฆร<อ>าคาสางตอบไม่ถูกเลยตัดสินใจไม่ถูกว่าไม่สึกคําตอบเดียวแค่นั้นเองอแต่คําตอบเดียวมันกลับมีค่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะว่าถ้าบอกว่าไม่สึกทุกอย่างมันหายวับไปกับตาเลยไม่ได้ออกมาไม่แต่เสลึงเดียวตําแหน่งตบัตตัศฐานลาภยศครอบครัวทั้งหมดไม่ได้ออมออกมาเลย แต่ถ้าบอกว่าซึก้ะความเป็นพระก็หายไปเลยกลับไปเป็นฆร า, าวาสกลับไปเป็นโลกนี่เงียบโลกระชาสงัดไปหมดเลยตอบไม่ถูกบอกไม่ได้อึ้งไปเลยไม่รู้ว่าหูอื้อตาลายหรือเปล่าไม่ทราบได้ยินเสียงมองเห็นผ้าเหลืองเนี่ยที่พานอยู่ที่ในในที่ลาวที่ในห้องในในกุฏิในห้องในกุฏิผ้าเหลืองสามผืนเนี่ย ตาใจจีวเนี่ยยู่ๆมีแสงขึ้นมาเฉยอๆมีแสงทองขึ้นมาเฉยเนี่ยตาไหลเป่าก็ยี่ตาตาไหลเปล่าแล้วก็หงายหัอได้ยินเสียงบุตรนังสรนังกัจจามิธรรมังสรนังกัจจามิสังฆนังสรนังกัจจามิเราตายจากโลกแล้วบัดนี้ได้เกิดใหม่เป็นลูกของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบุตร แค่นั้นน่ละโอ้โหมันเหมือนเหงื่อการแตกน้ำตาลล่วงเลยตอบเขาไปเลยว่ า, าตายจากโลกแล้วเกิดใหม่เป็นลูกของพระพุทธเจ้าเราไม่กลับคืนโลกอีกต่อไปขาดไปเลยจากใจไม่ไม่ไม่มีอะไรวอนเลยแบบ น, นี้เราตายจากโลกแล้ว เราเกิดใหม่เป็นพุทธบุตรเป็นลูกของพระพุทธเจา้าไม่กลับคืนเลยไม่ไม่สนใจเลยอะไรก็จะก็ไม่สนใจกนมันตัดแล้วผู้ชายมันผู้ชายเวลาตัดตัดขาดเลยตัดไม่เยื่อใยไม่อะไรวอขาดแล้วขาดเลยแค่นั้นแหละบอกอไปบอกก็เลยเนี่ยบอกสมันชาการศาลเลยไม่กลับแล้วประชุมไปเลย บอกไม่กลับแลไงไง้้วอย่างเียแล้วก็ใบลาออกก็เซ็นตั้งแต่ออกมาแล้วเซ็นไว้ให้ผู้สาท่านยืนให้บอกถ้าเราไม่กลับก็ยืนให้เลยเเซ็นออกแล้วเออไม่ยื้นใะไรแปลว่าที่ของผู้สานะ่ยบอกเขาใบอะไรยืนให้ด้วย ไ, <ง>ไม่กลับแล้วพอไปยืนให้เราก็ไม่ไปไปแล้วไม่กลับเลยอย่างเงี้ยก็วันแรกที่ได้ไปกราบหลวงตานะะี่ยฮะก็ วันนั้นก็ถือว่าได้กําลังใจจากหลวงตานะฮะในการเพราะว่าวันนั้นยังสับสนอยู่เหมือนกันว่าตัวเองจะสืกหรือออกมาเป็นค า, ารวาสปฏิบัติธรรมตามปกติไหมหรือว่ายังจะบวชอยู่หลวงตาก็บอกมาคํานึงว่าอย่าสืกออกไปเลยเพราะไม่งั้นจะโดนกิเลสเล่นงานเอาก็ยังจําคําที่หลวงตาบอกไว้วันนั้นนะคะก็จริงๆแล้วทําไม่มีกําลังใจนะคะเราก็มีความตั้งใจว่า อยู่ได้ฮะอยู่ได้แบบนี้อยู่ได้แล้วก็เออ่ครอบครัวก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาก็ห่างไปเลยนะฮะแล้วก็ไม่เข้ามาเาต่อยแยอีกเรอาอย่าไปรักลูกเขาอีกอ <laughs> โอ้มันจะบัวพันใจนะต้องต้อ ง, อ, งอย่าให้ใจมีอะไรไมาเจือใจอย่าใจไปเจือใจมีใ ย, ยอะหักบัวมันต้องหักบัวเหมือนไอ้บัวก้านแห้งอะ หักแล้วหักขาดให้กระเด็นเลยอะเหมนได้หักบัวก้านแห้งโป้ไม่มีใยเลยอย่างต้องอย่างนั้นนะก็เนี่ฮะก็เลยก็เลยขอน้องสาวบอกว่าขอมาอยู่บ้านน้องสาวไม่กลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกอะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่บวชมาสองพันษาเนี่ยก็ยังไปไมาไงฮะยังช่วยช่วยเขาเลี้ยงลูกอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอกับเด็กอ่ะเราก็มีความรู้สึกเหมือนว่าเขาไม่มีความผิดอะไรไงฮะแล้วเขาก็เขาก็เลี้ยงสาเราก็ไม่ไม่ได้ไป อะไรมากเราก็ยังช่วยเลี้ยงดูช่วยดูแลอยู่อะฮะแต่ว่าหลังจากมานี้ก็เลยบอกน้องสาวว่าพอมันใกล้ชิดไปเรื่อยมันก็ไม่รู้ดูดก็โดดดูดขึ้นไปไม่รู้เรื่องเด็กใช่ค่ะก็ยังเล่าให้ปุ๊กฟังเลยบอกว่าปุ๊กพี่คงไม่กลับไปที่บ้านนั้นแล้วดีกว่าเพราะดูรู้สึกเหมือนตัวเองจะถูกดูดกลับไปอย่างเงี้ยเสักมันจะดูดกลับไปดูดกลับไปไม่รู้ตัวเขค่อยดูดกลับไปดูดกลับไปแล้วแล้วเป็นห่วงด้วยนะคะพอเห็นพ่อแม่เขาเลี้ยงลูกเนี่ยสักแต่มีลูกจริงๆเนี่ยเรากลเป็นห่วงเด็กกะ เด็กเขาจะได้รับเด็กห่วงและเนห่วงได้รับสิ่งที่ไม่ดีอันนี้เนี่ยขาห่วงนี่แหละไหมเนี่ยห่วงแล้วกลับเป็นห่วงเด็กอ่วงและเนี่ยมไหอมันก็เลยใจมันมีเยอะใหญ่แล้วฟังธรรมก็เลยมึนมึนตื้อตื้อเนี่ยเพราะว่าไอห่วงมันจะมาขวางไว้ในใจพราที่ฟังธรรมเราเป็นไงม้างอ่ะมันทำไมลูกฟังอาจารย์มันทํามันไม่เข้าสู่ใจเลยมันไม่มึนมึนตื้อตื้อแต่ละคนเนี่ย ก็หววงมันขาดใจไว้จะไปกทํามันจะเข้าได้ไงทํากับโลกมันขวางโลกมันขวางทําอยู่ถ้าโลกมันขวางทําอยู่มันฟังทำก็ไม่เข้าตู่ใจหรอกโลกมันขวางอยู่ลูกมันห่วงผูกคอลูกหลานมันหววงผูกคอสามีภรรยามันห่วงผูกจอกสมบัติพัฒฐานตําแหน่งลาวจนบ้านเจอามันห่วกผูกเท้าเนี่ย มันเอามาผูกใจทซะหมดแล้วเนี่ยพอผูกใจทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็เลยเปิดประตูไม่ได้ทําก็เลยไม่ไหลเข้าสู่ใจมันไม่ได้ตัดห่วงเนี่ยออกจากใจมันก็เลยคาระคาสังนั่เนี่ยฟังธรรมมันก็เลยไม่รู้เรื่องทําก็เลยไม่เข้าสู่ใจเอาแต่ละคนไปตัดห่วงให้มันขาดให้มันซับบั้นตัดแต่มันขาดตัดแต้มันขาดอะไรนะต้องขอยืมเพลงอะไรเขามาร้องอะไรนะอะไรนะเพลงมันมีเพลงอยู่เพลงสมัยก่อนอะรู้ให้ทันอะไรนะ ตัดให้ขาดชับชับชับไอเพลงอะไรวะเอสไว้ก่อนได้เพลงมันมีอยู่เพลงเพลงอะไรนะอะอะไรนะเอตัดให้ขาดเลยชับชับชับตัดให้ขาดเลยชับชับชับชับชับชับชับรู้ให้ทานตัดให้ขาดเลยชับชับชับชับตัดให้ขาดแล้วขยืมเพลงเข้ามาร้องหน่อยรู้ให้ทานตัดให้ขาดชับชับชับย้ายเหลือเยื่อใยตัดไอมันขาดกระเด็น อ่านใจเราให้ขาดอ่านใจเราให้ขาดตัดให้ขาดชับชับชับชับนะใจไข่ใจมันไปช่วยตัดไม่ขาดได้แล้วเราต้องตัดเราเองใจไข่ใจมันตัดให้ขาดแล้วตอนนี้ยแท็บมันก็เป็นธรรมไปแล้วจะไปต้องฟังธรรมหรอกก็ตัดขาดแล้วก็แน่แน่ก็เป็นธรรมเลยทําแล้วแนะมันตัดใหญ่ขาดกระเด็นแล้วแน่แน่ก็เป็นธรรมขึ้นมาโดยไม่ต้องมาฟังธรรมหรอกอ่ะ ขออนุญาตบุตรคุณทำบุญมาสังขุาคุณมีดาวมันดาบวบุญคุณบาอาจารย์พ่อแม่คุณบาอาจารย์บุญมีทุกท่านทำสำาแล้วส่รนดาในทุกท่านตัดเยื่อจัดยใยที่หัวปันใจให้ขาดกระเด็นร้อยท่านตัดให้ขาดชับชับชับชับขาดตัดตบันในปัจจุบันนี้ด้วยเทิน